บประชาชีให้สำเร็จนะอิสาพุเชิญองค์พระจอมพระพูตขนาทดทศพลทรงรับมรมิมรท่านโอโร แดงทำาิมนต์เถิดทนเจ้าค้าผู้วิชาอันเลิอร่ำโปรดแสดงพ ร, ระสัจธรรมเทศนาและวาทีจะได้เสร็จ สมนิโปรเทศนาพระธรรมเถรสมัยสาวๆคงจะกลับเสียพาในวังไพเราะจั่างตึกซึงนะนี่ขนาด อาตมาขอแนะนำตัวกับญาติโยมผู้ที่มาถือโบสดในวันนี้สักก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนนี้หลายท่านคงจะจำอาตมาได้อยู่แต่บางท่านจะจำไม่ได้เมื่อก่อนนี้ก็คืออาจารย์สะอาดหรือว่าหมู่เคื่อนเรียกว่าพระมหาสาอาดนั่นแหละ ก็เคยเมาเทศอยู่ที่สลาเป็นประจำแต่ว่าก็เมื่อลองพ่อท่านให้โอกาสเมื่อไหรก่ก็มาเทศเลื่อยสมัยนั้นสมัยนั้นอายุก็ยังประมาณสัก 25-26 ตอนนี้ก็ออกไปปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่เทศ เมื่อก่อนก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเราเนี่แหละฝึกปฏิบัติกับหลวงพ่อเรานี่แหละก็ <c oughs> เห็นว่าใจสงบดีก็เลยอยากตั้งใจทาจริงๆสักครั้งหนึ่งว่าชีวิตนี้ตลงพ่อว่า อ, อ, อย่าเพิ่งสึกเลยไปสึกเอาชาติหน้าดีกว่าเช่นว่างี้แตม่มาก็คิดว่าชาติหน้าเคยสึกชาติานี้ก็เลยตั้งใจปฏิบัติกับท่าน เสร็จแล้วก็เห็นว่าความสงบนี่มันซาบซึ้งเย็นใจแล้วเกินศึกษาเราเรียนมาก็เป็นเวลานานแต่ไม่เห็นความสงบเยือกเย็นภายในอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจไปอยู่กับหลวงปู่เทศที่วัดหินหมักเป้ก็อยู่สองสามปีจากนั้นก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านเกิด คือที่ที่รู้กันอยู่ในปัจจุบันว่าวัดป่าดดนหายโูกนั่นแหละวัดป่าดนหายโศกก็ไปสร้างวัดข um ึ้นที่นั่นก็ตั้งใจอาศัยว่าก็ไม่ได้คิดจะทำอะไรให้มากมายใหญ่โตหรอกไปอยู่ก็ตั้งใจว่าจะไปทำความภาคความเพียรคือว่าอยู่กับ หมูจํานวนมากนี่โอกาสที่จะทำความภาคความเพียรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ไม่พอเพียงก็คิดจะไปอาศัยป่าแห่งนั้นอยู่ก็ไปอยู่มาตั้งบาดนั้นถึงป่านี้ก็เกือบก็ยี่สิบกว่าปีมาแล้วก็เห็นว่าถ้าปลูกต้นโคไว้ต้นหนึ่งตั้งแต่ไปอยู่ใหม่ๆตอนนี้ต้นโคก็รู้สึกว่า แต่ i, กิง่งก้านสาขาให้ร่มเงาเย็นสบายนกหนูทั้งหลายก็ไปอาศัยได้บ้างแล้วก็คิดว่าถ้าหากว่าจะเป็นไปได้กิ่งโพน้อยอาจจะยื่นมาทางวัดธรรมมงคลได้บ้างก็เลยถือโอกาสว่าลงไปกรุงเทพคราวนี้จะไปให้ตรงกับวันพระและจะไปเทศให้ญาติโยม เก่าๆที่ก็ไม่ใช่เก่ายามเก่าๆนะเก่าหมายก็โยมที่เคยอุปถัมภ์หรือเคยปฏิบัติมาเมื่อเก่าก่อนที่อยู่กับหลวงพ่อมาเนะี่ยจะมาเทศสู่ฟังบ้างแล้วก็ที่มาใหม่ก็อยากจะมาเทศให้ฟังบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเทศเป็นหรือเปล่าพรอไปอยู่ฝานานอาจจะเป็นลิงเป็นข้างไปแล้วก็ไม่รู้ ถือว่าผมก็รัทนาไปแล้วเสียงเย็นจ่อยเลยเต่อไปอาตอมาจะถือโอกาสนี้แสดงธรรมให้ท่านสาธุชนทั้งหลายฟังแต่ก่อนที่จะฟังธรรมนั้นก็ควรที่จะได้นั่งสมาธิไปพร้อมๆกันเลยเนั่งสมาธิไปพร้อมๆกันเลยเหมือนที่อย่างหลวงพ่อราพาธรรมนั่นแหละ เอาท่านตั้งใจที่ฐานสมาธิไว้เลยเอากเข้าสมาธิเลยนะเ <c oughs> <c oughs> มื่อก่อนเคยกำหนดพุทธโธพุทธโธไว้ในใจก็ให้เอาความรู้สึกความรู้สึกที่มีอยู่ที่มันคิดนั่นคิดนี่นั่นแหละให้ไปรวมลงที่พุทธโธ ถ้ากำหนดพุทธโธไม่ได้ก็หายใจลึกๆความรู้สึกก็จะรวมตัวกันเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ความรู้สึกรวมตัวแล้วก็เอาความรู้สึกที่นึกพุทธโธนั่นแหละนึกอยู่ในพุทธโธเรื่อยๆอัรมารแสดงทำไปเสียงก่อเสียงที่ธรตมาแสดงก็จะเข้าทางหูอย่างที่หลวงพ่อเราพูดเสียงเข้าทางหู ก็ไปรู้ในใจก็ไปรู้ในพุทธโธนั่นแหละไปรู้ในใจอยู่พุทธโธพุทธโธใจก็จะเบาสบายสว่างสวัยขึ้นมาแต่ผู้ที่ไม่ได้กำหนดพุทธโธทุกลมหายใจเข้าออกกำหนดลมอย่างเดียวก็ลองดูว่าลมอยู่ที่ไหนถ้าไม่รู้ว่าลมอยู่ที่ไหนก็หายใจลึกๆดู หายใจลึกๆดูสักสองสามครั้งก็จะเห็นลมผ่านจมูกเนี่ยจมูกอาจจะอยู่ตรงปลายตรงกลางหรือตรงไหนก็ได้ที่พอจะกำหนดได้พอลมผ่านตรงไหนกำหนดได้ตรงไหนกอคอยรู้อยู่ตรงนั้นทีเดียวแม้จะเห็นความคิดความวุ่นวายที่กระสับกระส่ายในเรื่องต่างๆที่มีในอดีตก็ตาม หรือในอนาคตก็ตามก็ไม่ต้องสนใจตามยังแต่รับรู้เฉยๆคือรู้ว่ามันคิดมันนึกมันรู้สึกก็เรายังบังคับไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งให้รู้อยู่ที่ลมที่ลมเข้าลมออกกระทบอยู่ตรงไหนก็คอยรู้อยู่ตรงนั้นที่เดียวจะนานเท่าไหร่ก็ให้คอยรู้อยู่ตรงนั้นแหละคอยรู้อยู่เรื่อยๆติดต่อกันไป จะยืนเดินนั่งนอนหรือทำภารกิจสิ่งใดก็ตามคอยคอยรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอยู่เรื่อ ย, อยในที่สุดความคิดวุ้นวี่วุ่นวายก็จะมารวมตัวเข้าเป็นหนึ่งกับลมพอมันรวมตัวเข้าบางครั้งเราอาจจะคิดว่าลมหายใจไปไหนไม่มีลมเลย เ, เราจะตายหรือยังนี่อาจจะถามอย่างนี้ก็ได้ แต่ที่กินมันใช่พอจิตมันวางลมมันรวมเป็นหนึ่งก็เป็นสมาธิเหมือนกันกับบริกรรมพุทโธเดียวกันบริกรรมพุทโธพอนึกพุทโธพุทโธอยู่ทุกอิริยาบทหรือทุกขณะจิตพอจิตมันสงบแล้วพุทโธมันก็จะหายไปไม่เหลืออยู่เลย ไม่รู้พุโทโธไปไหนแต่เห็นใจว่างวางลงไปเย็นลงไปสงบลงไปอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจะกำหนดเอาพุโทโธเป็นหลักหรือเอาเอาลมหายใจอย่างเดียวเป็นหลักให้ตัดสินใจเอานี่แหละจะสามารถทำจิตที่ไม่สงบให้สงบลงไปได้ให้สังเกตดู อันนี้อตาตมายังอธิบายสำหรับการปฏิบัติอยู่อคอยดูใจเพราะาใจกำลังสัตสายอยู่ใจส่งนั่นสูงนี่อยู่ให้คอยรู้ลงไปคอยรู้อยู่ในพุโทโธนั่นแหละหรือว่าคอยรู้อยู่ที่ลมกระทบนั่นแหล ะ, ะนั่นแหละลมนี้มีตลอด เดินอยู่อย่างนี้ตลอดตั้งแต่วันที่เราเกิดมาสู่โลกนี้จะเห็นว่าลมเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลามันเดินของมันมันเข้าของมันมันออกของมันอยู่อย่างนี้เราจะกำหนดหรือไม่กำหนดมันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่เรื่อยๆตลอด จนวันโน้นแหละวันสุดท้ายโน้นแหละมันถึงจะหยุดเมื่อลมหยุดวันไหนก็เอวังกันวันนั้นแต่ว่าเราใช้ลมนี่แหละเป็นเครื่องปรากฏหรือเป็นเครื่องอยู่ของความรู้สึกคอยดูรู้อยู่เห็นอยู่ใจก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ ทีนี้นจะมาจะเทศให้ฟังต่อไปละบ้านนี้ <c oughs> ให้ตั้งสติสมาธิไว้ให้มั่นท <c oughs> <c oughs> ำคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรานั้นโพงทรงแสดงมาเป็นเวลาสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วคำสอนทั้งหมดนั้นเมื่อรวมลงก็ อยู่ที่กายที่ใจของเรานี่เองคสอนที่ว่ามากมายนั้นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เมื่อรวมแล้วก็ลงอยู่ที่กายที่ใจของเราเท่านั้นและก็มาสอนที่กายที่ใจของเรานี่เองนี่แหละธรรมะทั้งหมดอะ อยู่ที่กายที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วพระองค์ก็ไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้อยู่ที่พระตู้พระใจปิดกและก็ไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับเราทุกคนเราจะเห็นว่าอริยสัจสี่ อริยสัจสีนั่นนะ่ะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงนั่นที่วัาทุสมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคทั้งสี่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นทุกอยู่ที่ตัวเราเราจะเห็นได้ว่าทุกเนี่ยทุกคือความเกิดใครเป็นคนเกิดทุกทุกคือความแก่ใครเป็นคนแก่ ทุกคือความเก็บใครเป็นคนเก็บทุกคือความตายใครเป็นความตายใครเป็นคนตายทุกคือพัดภาพจากไปทั้งหมดทั้งสิน้นตลอดถึงความยึดมั่นถือมั่นใครเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นใครเป็นผู้พัดพากจากไปใครเป็นผู้เสีย อ, อกเสียใจก็คือเรานี่เองเพราะฉะนั้นให้ดูที่เราดูที่ใจของเรานี่แหละจะเห็นชัด ความเกิดก็อยู่ที่นี่เราเกิดมาแล้วความแก่เราก็เห็นอยู่นี่แหละความเก็บก็เห็นอยู่ความตายก็อยู่ที่เราทังนั้นท่านว่าให้กำหนดรู้ทุกอันนี้เห็นทุกอันนี้เห็นทุกอันนี้แหละในใจของเราทุกคือความเกิดนี่จะต้องมีแก่เรามีแก่เราแน่นอน มีแก่เรามาแล้วด้วยและก็มีแก่เราต่อไปด้วยทุกคือความแก่ก็เหมือนกันทุกคือความเก็บก็เหมือนกันเราจะต้องได้รับอยู่ตลอดไปตราบใดที่เรายังมีการเกิดความแก่ก็ต้องตามมาความเก็บก็ต้องตามมาความตายก็ต้องมาอะไรอะไรทุกอย่างก็ต้องตามมาแม้แต่ทรัพย์สินสมบัติ เข้าของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาตลอดทั้งนู่หลานเหรนก็จะต้องตามมาถ้าเรามีเกิดสิ่งอื่นก็ตามมาหมดถ้าเราไม่เกิดอย่างเดียวเท่านั้นอะไรก็ตามมาไม่ได้ความแก่ก็ตามมาไม่ได้ความเก็บความตายก็ตามมาไม่ได้ความทุกโศกโรคภัยต่างๆเจ็บนั่นปวดนี่ก็ตามมาไม่ได้ เพาะมันดับหมดแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าวพระองค์จึงตัดต้นเหตุคือความเกิดคือไม่ต้องเกิดคือเกิดชาตินี้ให้เป็นชาติเดียวชาติสุดท้ายของการเยืนว่ายแต่เกิดพระองค์เกิดมานั้นไม่ใช่ครั้งสองครั้งตั้งแต่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าวนก่อนนู้นมาตั้งสิบหกอสงไขสิบหกอสงไขไม่ใช่แสนปีล้านปีไม่ใช่ร้อยล้านปีมันสิบหกอสงไขและได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรสมัยพระองค์เกิดเป็นสุเมธาดาบท ก็ต้องสร้างบารมีอย่างเหนียวแน่นมั่นคงติดต่อกันมาจนนานถึงเสียสงไขกับแสนมหากับนี่จึงได้ตรัสรู้จึงได้สอนสาศาสนาจึงได้แนะนำทำปฏิบัติมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พระองค์เกิดมานานแล้วเกิดมามากแล้วด้วยแม้พวกเราก็เหมือนกัน พวกเราก็เกิดมานานแล้วเช่นเดียวกันสร้างความดีมานานแล้วเหมือนกันทำความเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความทุกขมาแล้วมากมายเหมือนกันนานแล้วเหมือนกันด้วยแต่ว่าทําไมเราจึงไม่สามารถไปทันพระพุทธเจ้าหรือว่าไม่บรรลุตามพระพุทธเจ้า หรือในสมัยของพุทธเจ้าที่พ ง, งพยอย่างทรงขจนอยู่เพราะว่าเราบารมีเรายังไม่เต็มหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเรายังเพลินอยู่ในความสุขในทิพยสมบัติในสวรรค์ในพรมโลกเมื่อเราเพลินอยู่ในทิพยสมบัติเพลินอยู่ในความเกิดเพลินอยู่ในความแก่ เพลินอยู่ในความเจ็บและเพลินอยู่ในความตายเราไม่เห็นโทษเราไม่เบื่อหน่ายเราไม่รังเกียจ เ, เราไม่เห็นภัยของวัตตัเราจึงต้องท่องเที่ยว อ, อยู่นานแสนนานเนี่ยจึงไม่ทันพระพุทธเจ้าในขณะองค์ทรงแสดงรมอยู่แต่ว่าเราก็ยังไม่หมดโอกาสทีเดียว เพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเช่นหลวงพ่อวิริยังหลวงพ่อใหญ่ของเราเนี่ยท่านก็ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแบบเป็นตัวอย่างถึงความพ้นทุกข์และเมตตาพวกเราอยู่เข้ามาฝ่าฟันอุปสรรคสร้างวัฒนธรรงคลขึ้น เพื่อโปรดพวกเราผู้เกิดมาภายหลังให้ได้ดวงตาเห็นธรรมให้ได้ดวงตาเห็นธรรมคือให้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากท่านท่านกเทศสนาโปรดพวกเราอยู่ให้พวกเราได้ปฏิบัติตามอยู่แต่ว่าพวกเราปฏิบัติก็ตั้งใจปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้แหละก็ทำอยู่เดี๋ยวนี้แหละ พอยายามอยู่เดือนนี้แหละเพื่อที่จะให้ธรรมะที่มีอยู่ในตัวของเรานี่ผ่องใสขึ้นมาเพราะธรรมะนั้นมันมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วอย่างที่ว่ามาแล้วนมันมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วผ่องใสอยู่ในใจของเราอยู่แล้วแต่ว่าทาให้ผ่องใส ย, ยิ่งขึ้นไปให้สว่างสวัยขึ้นให้เห็นแจ้งประจับในทุกเหล่านี้ เดี๋ยวนี้เรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นทุกเรายังไม่เห็นทุกของความเกิดความแก่ความเก็บความตายเรารู้อยู่เราเข้าใจอยู่เราฟังรู้เรื่องอยู่ในเรื่องเหล่านี้นะ่ะที่พระองษ์ทรงสแสดงไวนะ้น่ะแต่เราไม่เห็นเราไม่เห็นอยู่ในใจของเราเมื่อเราไม่เห็นอยู่ในใจของเราเราก็ละทุกขหรือว่าทําสําระเหตุแห่งทุก์นั้นไม่ได้ ถ้าพอเราเห็นว่าความเกิดแก่เก็บตายนี้เป็นภัยใหญ่หลวงขึ้นมาในใจของเราเมื่อใดเมื่อนั้นแหละเราจะทำลายเหตุหรือว่าแก้ไขเหตุแห่งความทุกนี้ได้ในทันทีทีเดียวนี่แหละถ้าเราเห็นโทษขึ้นมาในใจของเราจริงๆแล้วจะไม่มีใครอยากเกิดอีกเลย และจะไม่มีใครอยากแก่ย ب, อยากเก็บอยากตายซ้ํำซากอีกเลยถ้าเราเห็นทํำยังไงเนอเราจึงจะเห็นเราจึงจะเห็นทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยเราในตัวของเราเนี่เราทำในทำทำอย่างไรถึงจะเห็นทําอย่างไรเราถึงจะเห็นทุกข์อันนี้ ทั้งๆ ท, ที่มันอยู่กับเราเหมือนปลาที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็ไม่เห็นน้ำอยู่ในน้ำแท้ๆแต่ก็ไม่เห็นน้ำเหมือนนกเนี่ยมันอยู่ในอากาศบินอยู่ในอากาศแต่มันไม่เห็นท้องฟ้าอากาศเลยนี่แหละ เราอยู่กับความทุกข์แต่เราก็ไม่เห็นความทุกข์เลยเราคนตายแล้วก็เห็นคนเจ็บเราก็เห็นคนแก่เราก็เห็นคนเกิดเราก็เห็นแต่ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์อยู่ในเราเล ย, พ, พ, ย, ยเพระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้กาหนดรู้ว่าเรานี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันให้กาหนดรู้ลงมาที่ตัวเรา จนเห็นจนเห็นทุกอันนี้ว่าทุกอันนี้มีอยู่จริงและเป็นจริงในตัวของเราถ้าเห็นทุกอันนี้แล้วก็สามารถทำลายเหตุแห่งทุกนั้นได้สามารถทำลายเหตุแห่งทุกนั้นได้ทีเดียวแต่ถ้าเราไม่เห็นเราก็เพิดเพลินเราก็มัวเมาเราก็รุ่มหลงเราก็เวียนว่ายตายเกิด ในพบน้อยพบใหญ่อีกต่อไปนานแสนนานพระพุทธเจ้าคอยพวกเราานี i ก็นานแล้วสร้างบา ร, รมีคอยมาก็นานแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะทันโพาหรือไมอ่แสดงธรรมแสดงสาศาสนาไว้ก็ตั้งห้าพันปีห้าพันปีนี้จะพอกับความเพลิดเพลินของพวกเราหรือเปล่าก็ไม่รู้าศาสนาพระศีอริยเมตไต ที่จะลงมาตรัสในการข้างหน้านี่เราจะเบื่อหน่ายในความทุกข์เหล่านี้หรือไม่ก็ไม่รู้หรือเรายังจะเห็นทุกข์เหล่านี้เป็นของดีเป็นของหน้าเพลิดเพลินจเจริญใจต่อไปอีกก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นศาสนาพระศรีอริยะเมตไตรก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเราจะสามารถกําจัดทุกข์เหล่านี้ หรือว่าเหตุแห่งทุกเหล่านี้ให้หมดสิ้นได้หรือไม่ตราบใดที่เรายังไม่เห็นทุกคือความเกิดแก่เก็บตายที่มีอยู่ในเหล่านี้ว่าเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นของหน้าเบื่อหน่ายตราบนั้นเราก็ยังจะมัวเพลิดเพลินอยู่อีกต่อไปนานแสนนานเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าคนเกิดเนี่ยกลับหนึ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อเอากระดูเอาชาติที่เฉพาะมีกระดู มารวมกันรวมกันไว้มันใหญ่เท่าภูเขาไวย บ, บูนบรรพทภูเขาไวย บ, บูนบรรพทนะ่ยมันอยู่ข้างภูเขาคิสจูกสูงใหญ่มากเหมือนกันเนี่ยหรือเราจะพูดให้มันเป็นภาษาที่เราฟังกันง่ายก็เท่าภูเขาฮิมาลัยไปเลยนี่แหละกองกระดูกของคนผู้เกิดตายอยู่ในวัฏฏานี้ ผู้ที่ยังไม่เบื่อหน่ายในความทุกข์เนี่ยเฉพาะกับเดียวเท่านั้นนะเอามารวมกันแล้วได้เท่าภูเขาหิมาลัยหรือเท่าภูเขาเลาวกาอะไรเงี้นี่แหละมันมากมายป่านนั้นแต่ว่าคนคนหนึ่งนีจะเกิดกับเดียวหรือญาติโยมทั้งหลายสร้างความดีสร้างบา ร, รมีมาเกิดตายมา มันมากกว่ากลับแล้วมันหลายหมื่นกลับหลายแสนกลับแล้วแต่ทำไมจึงไม่พ้นทำไมจึงไม่หลุดพ้นทำไมจึงไม่อยู่เหนือกองทุกเหล่านี้ไปได้ทำไมยังจึงไม่เป็นอย่างพระพุทธเจ้าทำไมจึงไม่เป็นอย่างพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายทั้งฝ่ายเทระและเทรีหรืออุบาสกอุบาสิกาที่ดัน่นท่านได้ถึงธรรม พ้นจากว่าแต่ทุกันนี้ไปก็เพราะว่าเราไม่เห็นทุกนั่นเองเราไม่เห็นทุกที่มีในตัวของเรานี่แหละเราจึงเพลินท่านจึงว่าทุกขาชาติกุนาปูนังเกิดบ่อยๆเป็นทุกอยู่เรื่อยๆหรือพูดอีกอย่างหนึ่งเกิดบ่อยๆเป็นทุกร่ําไปนี่แหละมันเป็นทุกติดต่อกันไปอย่างนั้นแหละเมื่อใด เรายังมีเกิดเราจะต้องมีทุกทุกทุกอย่างในโลกนี้รวมลงที่ตัวเราทั้งนั้นทุกเพราะเก็บเพราะป่วยเพราะอะไรต่ออะไรสารพัดสารพั น, พนชุดที่จะพารณาได้รวมลงที่ตัวเรานี้ทั้งนั้นนี่แหละตัวเราเป็นศูนย์กลางแห่งทุกทั้งปวงไม่ว่าความเกิดแก่เก็บตายโลกทุกโศกโรคภัยอะไรอะไรทั้งนั้น นี่แหละตัวเรานี <noting> <It> s <S ่แหละเป็นศูนย์กลางของความทุกข์เราจะต้องมารู้ว่าตัวเรานี่มีทุกข์เห็นทุกข์ในตัวของเราเสียก่อนเราจึงจะเบื่อหน่ายก็เหมือนคนเห็นว่ายาพิษมีโทษจึงจะไม่ดื่มยาพิษอยู่เป็นประจำหรือพวกยาบ้าต้องเห็นโทษของยาบ้า ถึงจะไม่ดื่มกินยาบ้าตราบใดที่ยังไม่เห็นโทษของยาบ้าก็าจะต้องกินยาบ้าไปเรื่อยนี่แหละเราก็เหมือนกันตราบใดที่ยังไม่เห็นทุกก็จะต้องยินดีในความเกิดอยู่เรื่อยยินดีในความแก่อยู่เรื่อยยินดีในความเก็บความตายอยู่เรื่อยคือพอใจยินดีเพลิดเพลินอยู่เรื่อยต่อไปนี่แหละ เมื่อไม่เห็นก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็เหมือนยามมืดยามค่ำคืนเราไม่เห็นเราก็จะเดินไปอาจจะเหยียบอะไรก็ได้สัตว์ร้ายก็ได้งูก็ได้้นาก็ได้อันตรายหมื่นก็ได้ในวัดในยามค่ำคืนนั้นเหมือนกันเมื่อเรายังไม่เห็นโทษของความเกิดเราก็จะต้องประสบทุกข์อยู่เรื่อยๆไปตลอดเวลา ตลอดการทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงให้ย้อนกลับมาดูมาดูว่าตัวเราเนี่ยจะประสบปัญหาใหญ่อย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้นท่านจึงเรียกความเยียนวนนี้ว่าวั ต, ตะมันหมุนอยู่ตลอดหมุนติ้วเลยแหละอะไรหมุนนะ่ะก็คือความเกิดแก่เก็บตายนี่แหละมันหมุนในวในหัวใจของเราในในสัตว์โลกทั้งหมด ไม่ว่าใครจะเกิดขึ้นมาจะต้องเป็นอย่างนั้นหมดไม่ว่าสัตว์ตัวไหนจะเกิดขึ้นมาจะต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของอานิจังทุกขังอนัตตาหมดสิน้นเนี่ยนี่แหละจะต้องตกอยู่ใต้อำนาจของความไม่เที่ยงแทนน้แน่นอนอยู่อย่างนั้นตลอดไปเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้ความแน่นอนไม่มีเลยความกิรังยั่งยืนไม่มีเลย ความเท่งเที่ยงแท้แม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่มีเลยนี่แหละเรียกว่าไม่มีเลยตราบใดที่ยังมียังไม่พ้นจากทุกนี่จะต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงให้หันเข้ามาดูดูกายให้เห็นดูใจให้เห็นให้เห็นความทุกข์ กายมีทุกข์อะไรบ้างใจมีทุกข์อะไรบ้างเราดูเข้ามาสิใจเราไม่สงบเห็นไหมไม่สงบไม่เป็นหนึ่งเห็นไหมทุกข์เมื่อใจไม่สงบไม่เป็นหนึ่งวุ่นวี่วุ่นวายเห็นแล้วทุกข์นี่แหละไม่ต้องว่าเกิดแก่เก็บตายหรอกแม้แต่ความวุ่นวี่วุ่นวายในใจก็เห็นทุกข์อยู่แล้ว ความฟุ้งซ่านลำคาญก็เห็นทุกอยู่แล้วเนี่ยถ้าใจเราสงบปับ๊บเราเห็นสุขขึ้นมาทันทีนะเห็นไหมพอใจสงบปั๊บลงไปเท่านั้นแหละเห็นสุขเลยเห็นความเบาสบายเกิดขึ้นเหนือกว่าสิ่งใดๆขึ้นมาทันทเนีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้หัดจิตอันเนี้ยที่มันวุ่นวายสงสายอยู่นี่ ให้รวมลงเป็นหนึ่งทำให้เป็นหนึ่งขึ้นมาถ้ากิตนี้เป็นหนึ่งหรือว่ามีอารมณ์เดียวตั้งแต่คณิกาั่วขณะหนึ่งอุปจาระสัตสายอยู่ภายในบ้างรู้อยู่บ้างสงบอยู่บ้างแต่ก็ยังรู้ตัวยังรู้สึกอยู่มีความเบาความสบายปลอดโปรง่งมากพอสมควร แต่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดเรีวยกว่าอุปจาระเกือบจะแน่วแน่เต็มที่นี่เราก็จะเห็นสุขเพิ่มขึ้นอีกเราก็จะเห็นความจริงเพิ่มขึ้นอีกถ้าเราทําจิตอันนี้แหะให้วางหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความรู้สึกที่เป็นอายตนะสัมผัสทั้งสิ้นเสียง ดีไม่ได้ยินรูปก็ไม่เห็นกลิ่นก็ไม่รู้สัมผัสไม่รับทราบเลยรับรู้อยู่อย่างเดียวมีแต่ใจอันเดียวใจอันเดียวนั่นแหละแน่วแน่มีสติพร้อมมูลบริบูรณ์อยู่ทุกประการนั่นเองเรียกว่าจิตเข้าถึงสมาธิอย่างเต็มที่ไม่ได้เผลอไม่ได้ลืมไม่ได้หลงไม่มีอาการม่วงหลับม่วงนอน อยู่ในนั้นนานเท่าไหร่เราแต่งเอาไม่ได้กลับจากสภาวะอันนั้นขึ้นมาจะมองเห็นตัวของเรานี้เต็มปด้วยสภาพพอถอนกลับขึ้นมาสู่อุปจาระพับพลังจิตอันนั้นจะเข้มแข็งมากเด็ดเดี่ยวมากแน่วแน่มากเห็นความเป็นไป ในตัวของเราเนี่ยเห็นความเป็นไปในตัวของเราเนี่ยเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นมีแต่ความไม่คงทนถาวรทั้งนั้นมีแต่ความไม่แน่นอนทั้งนั้นมีแต่ความไร้สาระทั้งนั้นในตัวของเราเนี่ยคือไร้สาระทุกอย่างเลยเราจะยึดเอาขมเป็นเราก็ไม่ได้เอาขนเป็นเราก็ไม่ได้เอาเนื้อเอาหนังเป็นเราก็ไม่ได้ เอาตับใจไส้พุงเป็นเราก็ไม่ได้เอาอะไรเป็นเราก็ไม่ได้ไม่มีเราในสิ่งเหล่านี้สักอย่างเลยนั่นแหละพอเราเห็นสภาวะอันนี้แหละพลังจิตเราพอปัญญาเราเกิดพลังจิตพอนะปัญญาจึงเกิดพลังจิตไม่พอปัญญาไม่เกิดแม้รู้ก็รู้ธรรมดารู้เป็นสัญญาแต่ถ้าหากพลังจิตเราพอเราจะรู้เป็น โลกุต ร, ปญญระปัญญาหรือว่าุทธปัญญาปัญญาที่ทำให้ตรัสรู้ธรรมมองเห็นจัตสรรธรรมในตัวของเราทัน ท, นทีมองเห็นว่าตัวเรานี่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรกีรังยั่งยืนไม่มีอะไรที่จะเราเข้าที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาว่านี่คือเรานี่คือตัวตวนของเรา ไม่มีเลยเมื่อเรารู้อย่างนี้แหละเราจึงจะกำหนดรู้ทุกได้เราจึงจะเห็นทุกอย่างชัดเจนแจ่มแช้งได้เรางจะเราจึงจะรู้อริยสัจสีได้อย่างชัดเจนเมื่อเรารู้อริยสัจสได้อย่างชัดเจนคือรู้ทุกรู้เหตุเกิดทุกได้อย่างชัดเจน เมื่อเรารู้ชัดเจนแล้วชัดเจน ร, ระดับธรรมดาก็เป็นพระโสดาบันชัดเจนสูงขึ้นก็เป็นสกิทาคามีชัดเจนไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยรู้หมดที่ไม่รู้ไม่มีในอริยสัจสี่ในเหตุเกิดของทุกเนี่รู้หมดเลยก็เป็นภาลันเมื่อเรารู้ ชัดเจนอย่างนี้แล้วทุกไม่สามารถตั้งอยู่ในใจของบุคคลผู้นั้นได้เลยความเกิดก็ตั้งอยู่ไม่ได้ความแก่ความเก็บความตายความอะไรอะไรตั้งอยู่ไม่ได้เลยหมดที่ตั้งของทุกเลยทุกดับแล้วเหลือแต่จิตรู้อยู่อย่างเดียวมีแต่ความปล่อยวางอยู่ในจิตดวงนั้น มีแต่ความรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ในจิตดวงนั้นนี่แดลอริยสัจสี่สว่างสวยในใจของบุคคลผู้นั้นแล้วผู้นั้นก็หมดหน้าที่ที่จะต้องเกิดแก่เก็บตายในภพต่อไปหมดหน้าที่ที่จะต้องบนเวียนในวัฏฏะอีกไปตามพระพุทธเจ้าได้เลย ถึงสุขอันสูงสุดซึ่งเรียกว่าอามตะสุขคือสุขอันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการตายไปเลยสุขนั้นไม่มีการดับได้อีกเลยนี่แหละอะไรเป็นผู้ถึงก็จิตของเราเนี่แหละเป็นผู้ถึงไม่ใช่ออื่นหรอกเป็นผู้ถึงถึงทุกข์ก็จิตของเราเนี่แหละเป็นผู้ถึงถึงสุขก็จิตของเราเนี่แหละเป็นผู้ถึงอื เมื่อกิจเราถึงสุขอันเพียงแทหรือว่าอันแน่นอนแล้วมันก็ไม่มีการกลับเพราะอะไรเพราะมันเห็นอริยสัจชัดเจนทั่วท่วนทุกประการแล้วเหมือนเราเห็นว่างูจงอางมันมีพิษร้ายเม้แต่จะเข้าใกล้เราก็ไม่เข้าใกล้เม้แต่จะจับไว้เอามือสอดเข้าปากเราก็ไม่กล้า ชันใดก็เหมือนกันเมื่อเราเห็นทุกหรือว่าเห็นธรรมพูดง่ายเมื่อมันเป็นมันเห็นทุกแล้วมันก็มันก็พ้นทุกแล้วก็เป็นธรรมเมื่อเห็นทุกเห็นทุกชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมเป็นธรรมในใจใจดวงนั้นก็มีแต่ธรรมเราจะไม่มีคําว่ากลับไปทุกอีกเลยกลับไปยินดีในทุกอีกเลยก็ยินดีแต่ในธรรมเท่านั้นแหละ ยินดีแต่ในความสงบยินดีแต่ในความปล่อยวางเท่านั้นเองจิตดวงนั้นหรือว่าผู้ผู้นั้นหรือท่านผู้นั้นเมื่อเข้าถึงที่สุดของ อ, อยู่เหนือทุกหมดแล้วนะ่ะสติปัญญาวิชสาสว่างสวัยอยู่ในใจตลอดเวลาสติสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา เดินอยู่ก็รู้อยู่นั่งอยู่ก็รู้อยู่ทำอะไรอะไรอยู่ก็รู้อยู่อย่างครูบาอาจารย์ท่านพระเทระทั้งหลายท่านก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะท่านถึงแล้วส่วนพวกเรายังไม่ถึงยังไม่ถึงเช่นนั้นเราก็พยายามเดินทางเดินทางไปสู่ความเป็นเช่นนั้นก็พยายามแล้วพยายามอีกแต่ละพบพระชาติไม่ใช่ว่าเราประมาทเราก็ทำอยู่ทั้งนั้นแหละ พยายามอยู่ทั้งนั้นแหละได้มาถึงขนาดนี้หรือว่าเท่าที่เราได้นี้รู้เท่าที่เรารู้นี้ก็น่าภาคภูมิใจอยู่ถ้าหากว่าเรารู้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้จนสามารถปล่อยวางได้ไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปถือไม่เข้าไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งใดใดในโลกนี้เท่านั้นแหละ เราก็เบาที่สุดไม่มีอะไรแล้วอยู่ในโลกก็เหมือนลิ้นงูในปากงูไม่มีทุกข์เลยนี่แหละญาติโยมทั้งหลายท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาอธิบายในธรรมของพระพุทธเจ้าให้ฟังเรียกว่าเป็นการตอบบุญแทนคุณญาติโยมที่เคยอุปาาถามภ์ธรรมบำรุงเออมา ที่อาตมาได้รับมาจากญาติโยมเมื่อสมัยอยู่ที่นี่ก็ขอเทศแสดงธรรมการ น, นี้แทนบุญคุณที่ท่านมีต่ออาตมานั้นให้มีให้อาตมามีชีวิตได้ปฏิบัติธรรมได้มองเห็นสัจธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมาเล่าให้ญาติโยมฟังขอให้ทุกท่านจงตั้งใจปฏิบัติต่อไปอย่าได้พ่อถอย เพราะว่าครูบาอาจารย์ของเรานั้นพยายามให้โอกาสแก่พวกเราอยู่แล้วแนะนำพร่มสอนพวกเราอยู่แล้วขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปให้เห็นว่าทุก์นี่มีอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นไม่ใช่อยู่สัตว์อื่นเราจะเห็นทุกได้ก็ต้องทำจิตของเราเนี่ให้เป็นหนึ่งหรือเป็นสมาธิสูงสุดหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสัมมาสมาธิ ปัญญาสัมมาทิฏฐิจึงจะเกิดขึ้นเมื่อปัญญาสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นก็จะชำระทุกอันนี้ทั้งหมดให้หมดสิ้นไปจากใจของเราโดยการตัดต้นเหตุของทุกนั้นทีเดียวคือความอยากมันจะไม่มีในใจของเราอยากอะไรก็ตามคืออยากมีอยู่ในภพในชาติในธาตุในขันหรือในเวียนว่ายายเกิดมันไม่มี ในสวรรค์ในพรมโลกในมนุษย์มันไม่มีในพภพภูมไิไหนๆมันก็ไม่มีมันหมดความอยากในสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วมันเหลือแต่ความปล่อยวางอยู่ในใจมีแต่ความเบาสบายอยู่ในใจนี่แหละเราก็จะถึงความสุขสงบอันแท้จริงซึ่งเรียกว่านิพพานังปรมังสุ ข, ขังสุขอื่นยิ่งกว่าพระนิพพานไม่มีนี่แหละ พระนิพานก็ได้กว่าถึงความเบาสบายเย็นใจตลอดเวลาไม่ว่าการไห น, ไหนเวลาไห น, ไหนเพราะฉะนั้นอาจมาแสดงธรรมเป็นเครื่องปฏิการละหรือว่าตอบแทนบุญคุณของญาติโยมในโอกาสครั้งนี้ก็ขอยุติไหวเตียงเท่านี้ก่อนขอความสุขสวัสดี มีดวงตาเห็นธรรมพ้นจากทุกจงเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนทั่วกันทุกท่านเถิน